ไปย่อๆก็บอกฟัส wow Software. สงสมมติเนี้ยมันก <<|so|> ็สลับสลับเนี้ยเข้าใจใช่ไหมสารว่ารมันเกปวดอย่างเงี้ยเนี่ยมันบอกว่าอัตภาพเนี่ยถ้าถ้าเราเห็นในสภาพเนี่ยสัตว์ไม่ปรินิษฐ์ไ่พานก็วิปริตอย่างเงี้ยท่านใช้คำว่าวิปริตมันก็กระเสือกกระสนไปเหมือนกระตายโดนกับดักของนายพานถ้ติดเนมันก็กรเสือกกระสนมันจะดิ้นออก แต่มันดิ้นออกไปแล้เพราะมันออกจากจากไอ้กลับจากกับดักแล้วมันก็นี่แหละไม่เข็ดหอกเดี๋ยวก็ไปติดใหม่อีกยูเนี้ยเดีวก็ไปติดใหม่ยูยูเนี้ยก็กระสือกกระสนอยากจะออกมันมองหาทางออกไม่เจอัไม่รู้ไม่รู้ทุกศาสตร์ไม่รู้สมุทรทยาทศาสแล้วไม่รู้นิโรธาศาจตรไม่รู้มารคศัสตร์เมื่อไม่ไม่ไม่รู้อริยศาสตร์เนี่ย เมื่อเขาไม่รู้อริยสัตว์เนี่ยถามว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็กระเสือกกระสนกันไปทั่วที่จะติ้นรนเพื่อพ้นทุกข์ถามว่าสัตว์ที่ไม่เห็นอริยสัตว์เนี่ยคือสัตว์ที่บอดบอดไหมบอดสบอดมิตเลยตาปัญญาไม่เยอะไม่เห็นก็วิ่งได้ไหมแล้วก็แล้วก็ตายก็เผาไปทำทีทำท่าไปร้องห ไ, ไห้ให้เป็นพิธีอะไรมาเช้ัำว่า ให้เป็นพิธีอย่างนั้นเลยพอเรื่องราวผานไปก็ลืมเลยว่าถามว่าทวดของทวดของทวดของทวดใครรู้ไหมว่าเชื่ออะไรบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลที่ถูกโลคลืมหมดเลยแล้วเราก็จะเป็นแบบถูกโลคลืมอย่างเนี้ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนเขียนประวัติไม่เยอะแยะขนาดไหนเดียวก็หายเลยเยประวัติก็โดนทำลายลย เหมือนประวัติพระเจ้านี่นะองค์ก่อนๆนู้นี่ไหมนะเหลือสั้นๆสั้นๆอย่นั้นก็องค์ปัจจุบันนี่นะ น, นะนี่ยังมีขัดในอยู่อายุของท่านอยู่นี่นะนี่ประวัติยังเหลืออยู่บ้างทนะี่เราศึกษาถ้าตรงนี้ถูกปิดตํานานไปอยู่ก็มืดสนิทเลยนะมันไม่รู้จะเาพระธรรมอะไรมาปฏิบัติอะไรอีกอแล้วทนะ่านก็มืดมิดแล้วก็เอากระเสกกระ ส, สน น, า น, านาั่นนะยิมมีลูกจ้ามาเปิดพระธรรมขึ้นมาฉัน ส, สัตว์โลกเขโอ้ยไอ้ทีนี้เราเราในระหว่างที่โลกมืดมิดไม่ใช่ว่าเราไม่เสพข้อมูลนะไอ้ข้อมูลนั้นเป็นสี่เสพข้อมูลมิฉาทิถีหมดเลยแต่เนี้ยลองคิดดูดีกว่าจะแหวกวงน้ำแหวกตอแหวกน้ำแหวกชัดลบไอ้ขแขนงไัยทั้งหลายเนี่ยเข้าไปถึงต้นไภัยได้โอ้ยแสนยากนะเรานี่มันต้องผ่าดงมิฉาทิถีกันแท้ แล้วถูกตอถูกหนามดาวเครื่องม่จฉาทิ ถ, ถีถูกยาพิษลาดลดลงในกระแสขันมีความเห็นผิดเป็นอันธยาศัยท่องเที่ยวไปในพบน้อยพบใยากน่ากลัวมากนี่นอะไรเงี้เออถ้าหากว่าเราเนี่ยจะสามารถคงถาวรสมาธิถิ่ให้เกิดขึ้นเหม่อมันก็น่าอยู่แต่ทําได้ไหมลนะ่ะไม่ได้เลยอ่ะเราไม่สามารถที่จะยืนอยู่บนสมาธิถิได้อย่างถาวรเลยเพราะว่าเรายังมีโลกิยะสรธณคม นี่ตอนเนี้เหมือนความเห็นจะถูกเนี่ยเสียไหมว่าสักวันใดวันหนึ่งอกุศลให้ผลกลายเป็นคนอีกประเภทเหนึ่งก็ลองคิดดูถ้าอกุศลกรรมให้ผลในย่างโศลรยะเนี่ยใช่ไหมไปกระทําผิดทําผลาดขึ้นมาจากผู้ชายกลายเป็นหญิงเนี้ยไม่ใช่กายอย่างเดียวนี้ตอนเป็นผู้ชายมีลูกสองไปเป็นผู้หญิงมีลูกอีกสองเนี้ยทีนี้และอเนกอนาต์เนี่น กรรมตนเองแล้วเกินอนะไรขนาความวิจิตของตัณหาใช่ไหมก็ทุกขศาสตรย์ก็วิจิตทุกขศาสตรย์วิจิตก็อี ก, กรรมอหม ก, กรรมวิจิตอนไรขนาดกรรมแล้วเกินวิจิตแล้วเกินเนี่ยทําให้ตนเองเป็นชายก็ได้เป็นหญิงก็ได้ในภบเดียวกันเนี่ยออกบวชได้บรรลุไปแล้วเสระยะบรรลุแล้วเป็นปลาลัยเลยครับแค่นี้ความวิจิตของกรรมเป็นวิจิตของทุกบอกหูหน้าพวงมากตราบใดที่ที่เรายังท่องเที่ยวไปมาอยู่เนี่ย กรรมได้โอกาสเมื่อไรมันให้ผลเนี่ยหมิห่นันฉันก็กลัวเ่เราไม่กลัวันบ้งกเนี่ยไม่กลัวกันบ้างอี ก, กงงใชะไาเอออยู่ๆจะกลายเป็นเอาแต้วมาทํจมาให้ผลตอนแก่ใช่ไหมให้ผลตอนแก่แก่ใกล้ตายให้มีนิสัยเป็นเด็กไม่กลัวเลยอ่าเอ า, เอาจริงๆนะกรรมบางอย่างมันให้ผลนิสัยเป็นเด็กนะนั้นมันให้อีกนั่นจริง บางคนจะเป็นเด็กตอ น, นแก่โอ้โหเคยเห็นมาเยอะแล้วเนี่ยกรรมมันให้ผลเนี่ยโอ้โหวิจิตแท้กรรมให้วิจิตแท้นี่ตัรหาวิจิตนั่นเองกรรมยุวิจิตกรรมวิจิตวิบากน์ของกรร ม, รมทุกประศัต ร, รมัก็วิจิตโอ้โหขนาดนั้นเลยเป็นเด็กตอนแก่ยุ่งเลยแตเนี่ยเป็นเด็กตอนแก่อยู่สภาพน่ า, นากาลั ว, วล่ะฮะนั่นแหละ นี่งไงแค้วิวิปเรตมนสิการเรายังละ ไ, ไ, ไม่ได้ในอาริยมรรคพอละไม่ได้ในอริยมรรคนันมีโอกาสเกิดฉันเห็นคนเป็นอยู่ว่าเขาที่ไปว่าเขาเข า, เ, ขาตเต็นที่กันไหมก็กรรมเราเรากรรมเหล่านี้เราทําไปหมดนะมันจะกลายเป็นหลงหลงลืมลื ม, ลมบ้างเลอะเลือนบ้างอะไรสารพัดมันอัฏฐะตรงนั้นในอ่านให้ออกว่าอะไรกาลังจะเกิดกับเราเนี่ย อะไรมันจะเกิดจับเราเนี่ยก็ขนาดอา ร, มรามาณปัจจัยมันมาเกิดใกล้ชิดโดยฐานะเป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติแต่เราแล้วมันใกล้ตัวเราแล้วเราจะเฉเฉยเมื่อยอยู่ทําไมเนี่ยทําไมเราไม่รีบใคร่คว ร, รคพระธรรมองปนิเจ้าทําไมไม่ไรีบบรรลุเสียที่มันนั่งให้รอมันเหมือนร้อว่า ม, มันประมาทเกินใช่ไหมก็มันใกล้แล้วก็อารามาณะปัจจัยมันใกล้ชิดเราแล้วถ้าเรายินข่าวข้างนอกเป็นไกลหน่อยใช่ไหม อันนี้มองเห็นเห็นในอยู่ในบ้านเดียวกำมีบางนคนนี่ในบ้านเดียวกับเราเลยนะพี่โอ้หน้าตัวก็เหมือเนนะี่ยคนแผ่นดินไหวคนตายเห็นไหมเนี่ยความวิจิตของอะไรความวิจิตของกรรมความวิจิตของทุกข์สัตย์ความวิจิตของตัณหาใช่ไมที่เป็นปจัจจัยทำให้คนได้รับความเดือดร้อนอย่างเนี่ยเราสบายดี แล้วมันตรงไหนให้สบายแล้วมันบอกเราไหมว่ามันจะแยกตรงบ้านเราเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้มันก็ไม่บอกเี็นไหเชื่อหรือนักตรรนีวิทยาเห็นไหมมันก็าการคำโนวณอย่า ง, งเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นได้ทุกที่เพราะโลกใบนี้มันวิผลิตมานานแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วเราเคยเคยตายจ น, น่บบนี้มารู้เท่าไหร่แล้ว ท่านผูรู้ทั้งหลายก็ถึงไม่ติดข้องเขาถึงบรินิพาน ห, หนีไงแต่คนที่ไม่รู้นี่แหละก็ท่องเที่ยวไปมากันอยู่นี่แหละก็มาชื่นชมกันอยู่นี่แหละว่ามันดีใช่ไหมนี่การไม่เห็นสัจจะอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นทีนี้พระ อ, องค์ทรงตรัสรู้พาเวแต่ว่าทำจะ ท, ทาที่ควรเจริญหมายถึงมรรคแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมารกรรมตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นปฏิปทา น, นี่เป็นหนทางหนทาง น, นั้นเนี่ยเป็นทางเก่าแต่ถูกปิดมาอย่างยาวนานพระเจ้าแต่ถ้าพระองค์ก็ต้องมาค้นใหม่มาเปิดเผยหนทางนี้ใหม่ฉะนั้นทางนี้จึงพระเจ้าเป็นผู้แผ้วฐานขึ้นเป็นผู้ทําขึ้นได้พระเจ้าฉลาดในมรรคใช่ไหมรอบรู้มรรคพระเจ้าเขามาบอกว่าทางเนี่ยเป็นทางประเสริฐทา ง, น เ, น เ, ง, นาง เ, เนี่ยเทวเอกายนุยังมีเกเวมะโกเนี่ย มองเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดต้องใส่ทั้งหลายเนี่ยเอาที่ใส่ทั้งหลายปรารถนาบริสุทธิ์จากกิเลสคือราคาโทสะโมหะเป็นต้นเดินทางนี้แล้วเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยพ้นทุกได้แล้วบริสุทธิ์ได้ราคาโทสะโมหะไม่ละรสท่นได้ท่านมีราคาโทสะโมหะท่านจะขจับราคาโทสะโมหะได้ด้วยทางสายนี้ใช่ไหมก็บอกทางไม่มีสายอื่นไม่มีมีสายเดียวแล้วก็เป็นทางเก่าที่พระเจ้ า, าองค์ก่อนเคยเคยเดินมา ใช่แล้วปัจจุบันก็เดินแล้วในอนาคตก็จะมาเดินทางสายนี้เดี๋ยวทางสายนี้จะถูกปิดแล้วจะถูกปิดแล้วเมื่อทางสายนี้ปิดเบ็เสร็จปุ๊บสาธุทั้งหลายก็หาทางไม่พบ ก, กันนีกเพราะไม่มีผู้รู้มาเปิดเผยอีกหนึ่งอันตระกับก็มาเปิดอีกแล้วก็ปิดอีกนานๆก็จะมีมาอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่บางทีก็ผู้ผู้มาเกิดไม่มีแบบมีท่านยังไม่พร้อมเงี้ย เกติปัจจัยยังไม่สมดุลอีกเยอะแยะอย่างเนี้ยน้นๆจะมีบุรุษหรือสตรีหรือใครก็แล้วแต่ที่ปราถนาแล้วก็เพียรพยายามในการที่เห็นเห็นใจสัตว์เนียโลกเนยลองโดนสักสคนไหมล่ะปราถนาแต่ต้องคิดใหม่หมดเลยนะจะอยูปราถนาต้องคิดใหม่หมดเลยนะถ้าคนไปปราถนาสร้างบารมีงนี้ก็ห้ามใจน้อย ตกไหลกระท้อหน่อยเหมี่ยว่งนี้ไม่ไม่เต้องพอเพีที่ต่อสู้ไม่ท้อเลยนะหน้านะนายคิดกันนะโดยเหตุนั้นพระุทธเจ้าจึตรัดไว้ในเสลสูตรในคัมภีร์หุทธกาลนิการสุตตานิบาตที่บอกว่าอภินเยยังเน่ยอภินเยยังอภินยาตางภาเวตาพันเจภาวิตัง ปาหะตัพังปยีนังเมตสัมมาพุทโธโสมิพรมนาติบอกว่าดูก่อนพรามทำที่ควรรู้ยิ่งเราก็รู้ยิ่งแล้วทำที่ควรเจริญเราก็ได้เจริญแล้วรำที่ควรละเราก็ละแล้วเพราะเหตุนั้นเราจึงเป็นพุทธะเนี่เราจึงเป็นสมมาสมุทัยในพุทธพจนี้เดเห็นว่าการที่พระเจ้าตรัสนั้นนะทรงปฏิญญาณประกาศยืนยันนะปฏิญญานเนี่ยยืนยันฐานะ ว่าเป็นพุทธนะน่ะเป็นสมมาพุทธะเป็นผู้รู้นั้นนะเพราะพระองค์ทรงรู้อะไรรู้สัจจะสี่รู้ทุกแล้วก็รู้เหตุให้เกิดทุกแล้วก็รู้ทุกั น, นิโรธความดับทุกมัก ค, คือข้อปฏิบัติให้เข้าถึงพ้นทางแห่งความดับทุกนั้นในบรรดาสิ่งที่รู้นั้นอะไรจะเป็นธรรมที่กวรรู้ยิง่งอริยสัจสีคือทุกสมุทัยนิโรธมักนี่นะก็แปลความจริงเงินประเสริฐเพราะเหตุ น, นั้นนะ่ะความจริงที่ประเสริฐมากกว่าอริยสัจเนี้ยไม่มีไม่ไม เพราะฉะนั้นพระองค์จึงยืนยันว่าพระองค์เป็นพุทธะพระองค์ทรงรู้แล้วสิ่งที่ควรรู้ทั้งหมดเพราะอาการที่พระองค์ทรงอย่างรู้นั้นเป็นอาการรู้โดยไม่มีความผิดพลาดโดยประการใดไม่มีผิดพลาดแม้สักนิดเลยนะก็หลอกแทงตลอดได้แบบไม่ผิดพลาดแม้มาพิจารณาอยู่ในชีวิตที่เราผ่านมาบางทีเราว่าเรารู้เรารู้เนี่จะผิดพลาดมาเยิะมกันะอันออกแบบทำโลกนี่นะทางธรรมไม่ต้องพูดถึงเพราะพระองค์รู้แล้วสิ่งที่ควรรู้ทั้งหมดด้วยการที่พระองค์อย่างรู้โดยความ โดยการรู้โดยไม่มีความผิดพลาดนันนะนะความที่พระเจ้าได้ตรัสรู้ทำทั้งหลายทั้งปวงโดยชอบและโดยพระองค์เองนั่นแหละพ่อลายพระองค์จึงตรัสรู้โดยชอบและด้วยพระองค์เองก็เพราะว่าพระองค์นั้นได้สัพพัญญุตยานไนงะการกว่าจะได้สัพพัญญุตยานมานี่นะถามว่าอาธิสมากเป็นปรรทัดฐานของสัพพัญญุตยานมนะั้ยกว่าจะได้มานี่พระเจ้าใช้คำว่าสัมมาสัมปวิยานนะ ตัวสัมมาสัมโพธิ์สัมมาสัมโพธิญานเนี่ยที่บอกว่าท่านตรัสไว้ในอเนกชาทิสังสาหลังสันดาวิสังมัญญิสังเนี่ยบอกว่าดูก่อนตั้หาผู้สร้างอาภาพาผู้สร้างเรือนเร า, มาไม่รู้จักตัวท่านมานานยังยาวนานนะแต่ก่อนเราไม่พบสัมมาสัมโพธิญาเราจึงหลงมาอแต่ตอนนี้เราพบสัมมาสัมโพธิญาเรารู้จักท่านแล้วท่านนี่แหละเป็นโรงงานใหญ่ในการผลิตต า, ายหูจมูกทิศใจเนี่ยนะ สัพพัญญูก็คือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมีคํ า, าว่สาสัพพัญญูสัพพวิ ท, สทูสัมมาสัมพุทโธถ้าสัพพัญญูก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างสัพพะวิทูก็รู้แจ้มทุกสิ่งทุกอย่างสัมมาสัมพุทโธก็คือตัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองนะก็ด้วยการที่พะระบรมาศาสดาอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรรูมม้ด้วยสัมมาด้วยสรพพัญญุตญาณนั่นแหละจึงเรียกว่าสัพพัญญุตญาณคืออะไรจะมีหวยาวเลยเีนี้จะไปดึงกัมปีที่นาลังการลมาวน สามัญนสรพยุติยานเนี่ยสรรพยุติยานคืออะไรแต่เนี่ยก็คือปัญญาที่มีความรู้ความเป็นพระเจา้าผู้รู้สังกัตธรรมอ่ะสังกัตธรรมก็คือธรรมที่ถูกปัจจัยสีปรุงแต่งธรรมที่ถูกกรรมปรุงแต่งจิตปรุงแต่งอุตุปรุงแต่งอาหารปรุงแต่งนั่นเขาเรียกว่าสังกัตธรรมสัาางกัตธรรมที่ถูกจิตเจสิกธรรมที่ถูกปุงแต่งด้วยจิตถามว่าสังกัตธรรมคือจิตและเจตสิศ ทำที่ปรุงแต่งจิตแล้วก็รูปซึ่งสังฆตธรรมนั้นมีลักษณะอยู่สาประการคือมีการเกิดขึ้นหนึ่งมีความเสื่อมไปแล้วก็มีความแปรปวนให้สังเกตอย่างนี้นะถ้าทำที่ถูกถู ก, ถ, กถูกสังฆตาธรรมปรุงแต่งเนี่ยมันจะมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่แล้วก็มีการดับไปเป็นสภาพการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปเป็นสภาพลักษณะอย่างนั้นก็าเรียกว่าทำที่เป็นสังฆตาธรรมคือ ท, ทำที่มีปัจจัยประชุมปรุงแต่งขึ้น แล้วก็ต้องมาพิจารณาดูว่าอะไรมีปัจจัยประชุมปุงแต่งขึ้นผมคนและฟันหนังเนื้อเป็นต้นหล่รเนี้ยมีปัจจัยประชุมปุงแต่งขึ้นไหมอ่ะผมสักเส้นหนึ่งในที่ปักลงไปในหนังศีดส์เนี่ยมีการปรุงแต่งไหมมีจิตปุงแต่งไหยมีอุตู่ปุงแต่งไหมแล้วก็มีอาหารปุงแต่งไหยตรงเนี้ยถ้าหากว่าว่าถ้าท่านก็แยกเนาะท่านก็แยกบอกว่าถ้าหากว่าเป็นผมที่บนปลายผมเป็นต้นอะไรเนี้ยนะ ที่เลยหนังศีรษะขึ้นมาแล้วอย่างนี้อย่างนี้เกิดจากอุตุแต่ถ้าหากว่าที่ปากลงไปในหนังศีรษะด้วยเนี่ยกรรมก็ปรุงแต่งได้จิตก็ปุงแต่งได้อุตุก็ปุงแต่งได้กกป ไ, ดไปต้นเครียดั้งมากผมงอเนี้ยแม้จิตปรุงแต่งได้เนาะยิ้มแย้ผ่องสายเย้ยผมก็ไม่ได้งอเดี๋ยวเอาเองท่านท่านอย่าเครียดนะคือเขาคิดว่าบางทีเนี่ยชีวิตของเขาก็ดูหนังฟังเพลงสนุกสนานเขาจะไปเครียดอะไร เขาชีวิตตองเขาไม่เห็นต้องมีเรื่องอะไรทุกจบทุกใจเลยใช่ไหมงานก็ไม่ต้องทําแล้วลูกหลานก็ส บ, บายอย่างเงี้ยเขาจะไปเครียดทําไมเขาไม่เคยเครียดใชีวิตของเขาไม่เคยเครียดหรอกเพราก็อยู่สะดวกสบายทุกอย่างอยากทําอะไรก็ก็ได้ทํางั้นก็ไม่เครียดก็งั้นแต่ทําไมหน้าตาคุณหมองคขำนี่ตรงเนี้ยใช่ไหมเขาไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ย ในขณะที่เขาคือเขาอยู่กับโลภะกับโทสะใช่ไหมเขาแค่เขาดูเนี่ยสมุหะเขามีอยู่แล้วปิดอยู่ครับเวลาก็ดูดูหนังดูภาพยนตร์ฟังเพลงแรงต่างถูกใจอุ้ ม, มเขาก็ชื่นใจพองที่ไม่ถูกใจหน่งเนี่ยเหมือนจะเรื่องอนะไรอะไก็เนี่ยมันเครียดอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยอีกเครียดแบบเนี่ยนี่เขาจะเครียดพราะมันสะสมสาสมมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมในสุดที่ก็คือคนเครียดนั่นเองก็คือคนเครียดงั้นแค่คนเดินจิตไม่เป็น เดินกุศลจิตไม่เป็นแล้วทุกวันก็เป็นโลกไอเดินกุศลจิตกันไม่เป็นนี่แหละในโลกใบเนี้ยไปหน้าที่ไหนก็ติดขัดขัดเครื่องก็อยู่เนี่ยดีใจบ้างเสียใจบา้างใช่ไหมสุขบ้างทุกบ้างนินทาของสรรเสริญบ้างมีลาบเสื่อมลาบมียโเสื่อมยโสกเป็นกันอยู่อย่างเงี้ยโลกธทรมก็หมุนไปตามกระแสะของฐานธาตุไดา ย, ยัชนะอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกเครียดโลกอย่างเงี้ยคือโลกเครียดอย่าว่าแต่คนป่วยเลยหมอก็เป็นทำไมข่ำเนม่ย หมอจิตวิทยาเนี่ยรบเรียนโลจิตวิทยาท่าไหนแล้เครียดผมมานั่งคุยกับเขาแต่ดีแล้วจะคุยกับท่านเขาบอกโอ้คุณข่าเยอะเงนเครียดตัวแต่เราพอเยอะกอนน็นึกว่าเอยอะไปหาหมอวันนี้แล้วสบายใจนะจะได้รู้เรื่องวิธีการพระธรรมอะไรบ้างหน่อยที่ไหนแต่หมอก็ไม่รู้หมอก็เครียดนี่หมอจิตวิทยาเครียด ตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าตัดรู้ยียวธรรมเป็นต้นเหล่านั้นนะพระองค์ก็บอกว่าทำถ้าตัดรู้ยียวธรรมก็คือทำที่เป็นสังขารวิการรักณะนทิพานามันหยัิส่วนที่เป็นสังขารทั้งหลายส่วนที่เป็นสังกัธรรมทั้งหลายคือทำที่มีการแปรปรวนเป็นธรรมดามีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีความเสื่อมไปเนี่ย น, นะก็แปรปรวนพวระพุทองค์นั้นอย่างรู้สังกัธรรมและสังกัธรรมนะคือพระนิพพานเป็นต้นหรือสิ่งที่ไม่มีปัจจัยคงแต่งเป็นต้นเหล่านี้นี่แหละ ฉะนั้นพยานที่สามารถทีจะยังรู้สิ่งต่างๆเหล่า น, น, นี้ได้พระยานเหล่านั้นเรียกว่าสัพพยุตยานภาษาริบุตรกล่าวไว้ในคุณกาณิกาปฏิสมิธามารคบอกว่าเชื่อว่าสัพพยุตยา น, นมาจากคาว่าสัพพสังคตะสังคตามาสังคตังอนะวเสสังชานาตีติสัพพยุตยา น, น, น, น, นังเขบอกว่าสัพพยุตยานเพราะมีเนื้อความว่ารู้สังคตาธรรมและอสัตสังฆตาธรรมทั้งปวงโดยไม่มีเหลือนี้ท่านก็แสดงเนะ แสดงถึงพุทธยานสิบสี่เขาไว้พุทธยานสิบสี่ก็คือยานในทุกขัสสะคือพระพุทธเจ้านะ่ยมียานก่าคือปัญญายานต่างหลายที่ไปรอบรู้ทุกขัสสะหมดเลยทั้งเส้นในโล ก, กธาตุทั้งหมดทุกขัสสะนี้เป็นไปในส่วนของสังขารสัตว์โลกและก็โอกาสโลพระองค์รู้ไปจุดใหย่ ใ, จ ใ, จใจหเลยแล้วก็เนี่ยานตัวนี้เป็นเรื่องยานในทุกเรามีไหมมียานในทุกไหมปัญญาไปวิจัยทุก เราวิจัยกระท้อกับแท่นมากนะใช่ไหมจ๊าเอาเนี้ยใครเคยเอาขันของต น, นเองทั้งหมดเลยเนะเอาผมคนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมาก้ามหัวใจไต ต, ตับทั้งผืนไตใหญ่ไตน้อยไปจนเนี้อาการสามจุดสองที่เป็นไปในส่วนนุ่รูปธรรมแล้วก็ในส่วนของนามมาทำทั้งสิ้นที่เป็นเจริเ จ, เจติดทั้งหลายนี่นี้ ย, ยรูปนาำต่างต่างเหล่า น, นี้เนียเอามาวิจยัยทุกส่วนเลยด้วยความเป็นทุกข์เห็นด้วยความเป็นทุกข์เลย ว่าเป็นที่ตั้งของชาติทิฐุขเชลาทุกปยาทิทุกเป็นที่ตั้งของความโศกความลำลายลํามันไม่สบายายไม่สบายใจไม่ความรับผิดชอบมงคนก็บอกเองท่านนามเอามือมาไข้ควรยังไงโดยความเป็นทุกข์ฮะอาพวกเวทนานี่เป็นทุกยังไงก็ภาษาเวทนาสัญญาเป็นตัวอลไรเนี่ยเนี่ยเอมาไขตัวรยังไงโดยความเป็นทุกข์โจยความเป็นทุกข์เราเราจะมาไข้ควรยังไงก็ต้องมาพิจารณาเนี่ยผมถามว่า การที temps, ่เราได้เห็นใช่ไหมวิญญาณทั้งหลายมีจากปูวิญญาณเป็นด้วยสัญญาทั้งหลายมีมีมีเวทนาทั้งหลายเป็นต้นที่เกิดร่วมกับจากปูวิญญาณเป็นต้นที่เกิดร่วมกับจากปูวิญญาณโซตาวิญญาณคานาวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างทุกนั้นโดยหลักการของเขาก็เขาเป็นสังกัธรรมคำว่าสังกัธรรมในที่นั้นก็คือมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการเสื่อมหรือตั้งอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีการแปรเปลีนในสภาพ ถามว่าสิ่งเหล่านี้มีการเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่แล้วมีความแปรปลีนเป็นสภาพการที่เป็นไปในลักษณะนี้ถามว่าแล้วเป็นที่ตั้งของชาติทุกอย่างก็คือว่าเขาเป็นตัวไหมเป็นที่ตั้งของการเกิดยังไงเป็นที่ตั้งของความแก่ยังไงเป็นที่ตั้งของความเจ็บยังไงเป็นที่ตั้งความตายเป็นต้นยังไงแล้วก็มาพิจารณาดูว่าบางอย่างสิ่งที่เราเห็นเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยนะจากจักรคุณยามีถึงเห็นใช่ไหม แล้วก็มีสัญญามีเวทนาเป็นต้นมีสังขารเปต้นที่ปุงแต่งในการทําให้เห็นเมื่อเราเห็นสิ่งนั้นเเส ร, ร็จแล้วบางทีถามว่าเห็นแล้วเป็นที่ตั้งของตัณห า, หากี่ร้อยกี่พันตัณหาเนี่แล้วเป็นที่ตั้งของชาติาไหมเห็นไหมแล้วถ้าเราไปไปเกิดแล้วชาราพยาธีม ร, รณะโศกปริเทวะทุกขโทมนะแต่จากการเห็นเป็นเหตุนเนี่ยนี่ไงเขาจะยังให้มองมุมนี้อีกมุมหนึ่งทั้งทั้งที่เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมไปเนี่ยโดยสภาพของเขาเนี่แหละ แต่ได้โทษของการเห็นในการที่เรานั้นไม่มียานปัญญาในการไปรอบรู้ทุกนี่แหละพอไปเห็นก็เลยเชื่อมทุกใหม่เข้ามาอีกทุกมันเลยปฏิปะต่ะตอกันอย่างยาวนานอย่างไม่รู้จักจบจกสิน้นแถมว่าอารมณ์ทุกอารมณ์ที่ผ่านทางตาวานตาหูจมูกเล่นกายใจของเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่เราไม่ได้วิจัยนมีเยอะไหมล่ะที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งของการวิจัยการค่อยควรการพิจารณาอย่างท่องแท้มีมากไหม นั้นลักษณะอย่างนั้นก็บอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นน่ะมันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นปัจจัยในการที่จะทําให้ตัณหาเกิดนั้นอย่างหนึ่งทั้งการมตัณหาทั้งภวะตัณหาทั้งวิภวะตัณหาบางทีเรารู้เราเข้าใจอะไรเราก็เห็นว่าเที่ยงบ้างบางครั้งก็เห็นว่าสาดศูนย์เป็นต้นแต่ในท่สุจริงก็นั่นแหละคือตัณหาก็เป็นการว่ทําจิจเบ็ดเสร็จของเขาแล้วได้เสพคุณอารมณ์เหล่านั้นแล้ว และตัณหาเหล่านั้นเขาก็มีกําลังก็เขเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่ตัณหาต่อไปในอนาคตนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นยาในทุกมันไม่มีแนี่ๆอย่างเราท่างทั้งหลายที่เป็นเงี้ยแต่ถ้าพระอริยะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านมียาในทุกท่านก็เห็นโมกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกความยินดีพอใจในตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสมุทัยเห็นไหม การดับตาหูจมูกลิ้นกายใจการดับความยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เป็นทุกข์หนีโลภปฏิปทาให้เข้าถึงนีโรธเป็นมรรคเนี่ยไอยาณที่เข้าไปรู้ว่าเออตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นทุกข์ความยินดีความเพลิดเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เป็นสมุทัยเหตุที่ทําให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสมุทัยท่านก็มียานไปอย่างรู้ตรงนี้ได้นี่ก็ยานในสมุทัย เมื่อสาต า, าหูจมูกลิ้นกายใจมันดับอย่างถาวรไม่มีต า, าหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ถ้าเหตุของต า, งาหูจมูกลิ้นกายใจก็ถูกละด้วยอริยมรรคหนาอันนี้เป็นนิโรธปฏิปทาที่ไปมีนี้ไปถึงนิโรธนะ <S <S ไปสัมผัสได้ น, นิโรธเป็นอารมณ์หรือปรินิพานได้เมื่อไหร่อนี้เป็นมรรคคุณทางที่เดินไปถึงนิโรธเป็นมรรคญาณอย่างนี้ก็ญาณในทุกญาณในทุกกระสืมูไทยญาณในทุกนิโรธญาณใน พวกขนนิโรธคามินีปฏิปทานี่ไงส ม, สมมาสมบุทษฐานมีญาณอย่างนี้เพื่อพุทธญาณญาณของบุรุษเจ้างั้นพุทธญาณอย่างนี้นนสาวกเขามีได้แต่อย่างเรายังไม่ได้ยังไม่ญาณยางนี้มันมีแว๊บๆเหมือนกันมันมีแว๊บๆเหมือนกันมันคิดเป็นบางครั้งใช่ไหมโอ้อะไรกระทกหมดเลยนะแต่อาหารมันก็ยังล อ, อยอยู่ตัณหาชาบตีตีาาตัณหาก็ชาบตีตีใช่ไหม ไห้แปลกเดี๋ยวนี้มันบางทีเราศึกษาพระธรรมมันเองพอพอพระธรรมเสียงพระธรรมหายปุ๊บเออมันเหมือนให้มันหนาจริงเนาะไอไอตัวตัวจอกแหนเนี่ยมันหนานะเราก็พยายามโยนหินไปโยนโยนโย น, โย น, โยนมันก็ออกไปไกลนะแค่แวบเดียวนั้นความคิดเดิมๆกลับมาใหม่ก็แล้วนะเดี๋ยวก็ฟกลันะกกบไปไอคนเดิมกลับมาอีกแล้ว ขี่โกดเหมือนเดิมขี่บนเหมือนเดิมจุกจิกเหมือนเดิมทั้งหมดนี่นะนิสัยเหมือนเดิมการกระทาเดิมเดิมอะไรต่างคิดเหมือนเดิมเอาใหม่แล้วงั้นจะตัวยังไม่รู้ตัวเนะบางที่กำลังฟังทําไปนี่และไฮ้เมื่อวานฟังแล้วมันเข้าใจวันนี้ไม่ฟังแล้มันมึกเนี่ยเคยเป็นไหมล่ะฟังนี้ไม่เข้าใจเลยวันนี้มาหายหายไปไหนเนี่ยวันนี้ยังฟังเข้าใจอยู่เลยวันนี้ฟังเลยก็ไม่เข้าใจฟังแล้วเครียดอีกต่างหาจะคยเป็นไหมล่ะนี่แสดงว่าเห็นไหมเนี่ยโอ้เราไม่ระมัดระวัง โหนานะนะ่าปวนะโยวจะตโยมเนี่ยพะก็เป็นกันนะพระก็เป็นในแบบนะี้จากจากสัมมาทิฏฐิอยู่ดีๆเนี่ยนะกลายเป็นวิจารณทิฏฐิเฉยเลยโอ้ไปเห็นผิดอีกแล้วโหฟังอะไรขนาดนะั้นบาเราก็ต้องพักก่อนบางทีชีวิตระวังงั้นเลยเคยเป็นไ้มล่ะบางคนนะ่ะใจจะขาดฟังแล้มากฟังมากไม่ได้นะนไม่ไหวแล้วก็ว่าฟังแล้วก็ก็เลยมาเืนก็เลยไมน่นั่งนั่งดูดูอ๋อนึกได้สมัยเด็กๆเนไง ก็เห็นผีผีก็ซื้อได้ยังไอ้ผีไม่ไออผีก็ซื้อไอ้ผีไม่ใช่ขเขาจะไอ้ผีที่มันเข้ า, าคนเนี่ยใช่ไหมผีที่มันเข้ า, าคนเออเวลาเข้าน้ํามนต์ไปรถมันดิ้นนะมันดิ้นร้นองเขนคิดถึงตัเองโอ้โหเนี่บางครั้งเราเหมือนผีปอบเลยนี่นพอฟังก็ทําแล้วมันดิ้นอยู่ไ ม, ไม่อยากจะฟังก็เป็นไหมละ่ะบอกโอยมันฟังแล้วปวดหู ไม่อยากจะฟังเลยอ่ะโอ้โหแท้เลกียดันั้นมันกต้งเกลียดเพราะทำมาใช่ไมเคยเป็นไหมแล้วยังไงถ้าฟังแล้วอื่นมันรู้สึกเพลินเนี่ยเช่นนะไปนัง่งคุยกันสนุกสนานเนี่ยไปไหนมาไหนทำเป็นยังไงใช่ไหมที่บ้านสนุกไหมทาอะไรต่างๆเนี่ยคุยลงคุยแลย้วอื่นเนี่ยคุยได้เป็นหลายชั่วโมงเนะี่ยพอทาได้จะคุยทำไมดิพอแค่นี้ก็พอแล้วเหนื่อยงานยุง่งก็เมือนเมืนถูงน้มนเลยอ่ะไม่ไหว พอาะน้ำมันลานมันมันช <ries> ักด <True> ินม <ries> ันช <t ries> <t ries> ักโ๊บๆๆๆแล้วอยู <t ries> ่ไม่ไหวม้นกลัวบอกโอน่าจริงใจเนี่ยมันมันน้อมมาน้อมออกยาไปทาความจริงเเออไม่ใช่สัตว์จะตัดสรุเลยเนาะลองทดลองดูดัไปจากคนที่ไม่เคยบ่มเพาะมาฟังเขาฟังไม่ได้เขาทรมานก็อันนี้พเนี้ยพูถึงยอดพชายเนี่ยยอดไม่ชายฟังไม่ได้เลยทั้งั้ี่ก็ ตอนบวช น, นะนะแกบวชได้จะต้องให้แกทำงานนะสวดมนต์ได้แค่นั้นเองถ้าให้ไปนั่งฟังก็ฟังไม่ได้ใจจะขาดเพราะมันขึ้นใจแกหมดเลยเพราะแกต้องบอกมาเยอะไปฆ่าสาัตว์มยเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียต่างๆมาตลอดนั้งชีวิตนลนะถ้าพูดเรื่องปฏิบัตแกก็สะดุ้งอยู่ ม, ไปไปมั้ยไปๆมาแกก็เห็นพระก็กินอนาะหารไปอย่านันนะ เอาผมผมฆ่าไปที่ลายพระเอาไปถวายพระก็อินบานันไปไม่ไปดีโอ้โหเสร็จเลยเนี่ยยุ่งเลยใช่ไหมแล้วทุกวันนี้ก็ยุงไม่เลิกรลยแต่ว่าเขาก็ก็แค่ก็หลายหลายอย่างตอนนี้ก็เจอวิบากอะไรเยอะแยะมาแล้วแล้วบางทีก็เนี่ยค่ะเขาเขาเจอเจอเจอมาว่านี่ท่านเห็นเทวะมีเห็นค่าใส่ตดชีวิตเธอ ดูที่ป่วยงอแง ง, งงอแงผมไม่เห็นเป็นไรเลยเ <laughs> นี่ยเขาโดษไม่กี่ปีนะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแล้ววันก่อนได้ข่าวตกจากร้อจีท่าไหโอ้โหเยอะไม่รู้เท่าไหร่ว <laughs> ันลีโทรไปบอกเขานม่อได้ข่าวเป็นยังไงทาตรงผลสนุกไหมเขาบอกมันิดหน่อยก็ขนานิดหน่อยก็มีครั้งหนึ่งนะโอ้โหเขาจะก็เจออย่างหนักแล้วเขาไปจับไปลายท่าไหนหยาบหยาบ ไปเจอปลาดุกใหญ่ๆนั้นวิ่งชนเนาะโอ้โหแทบสลบเลยต้องหามเข้าโรงพยาบาลเลยตั้งแต่นั้นมาก็หยาดปลาเลยเลยวนี้เขาบอกเป็นยังไงเข็ดไหมใหม่หรอเขาว่าดูเขาดิโอ้โหัหใจมันมีขนาดนั้นเลยนะนึกเนี่ ย, ย, เ, ยเขาเขาเป็นคนทำบาปมากจริงๆบาปเยอะก็โห แต่ตอนเนี้ยอาปาได้เริ่มป่วยงอกงอกงองเงีง้ยเลย น, นแต่ก่อนนี้เจอวัดมาบอกว่าวามาตลอดท่านก็เกล็กเล็กน้อยน้อยเหมือนทำบาปเลยว่าเขาเขาถึงไม่เชื่อไงเข้าใจใช่ไหมเ้าเป็นคนทาบาปเองแต่สกปรกแข่งแหลแต่อย่า ง, งยา น, นยานไม่เกี่ยวข้องพวกนี้เลยมาเจอเด็กจับก็ไม่นานหนีตลอดยัไงไม่ จะทํำก็ยงๆแยงๆนี่ครับได้หรอกเพราเอาขี้เกียจเนี่ยแล้วกลัวแต่มาป่วยอย่างเนี้ยนะเขามองมันมีงไงไม่ได้เกี่ยวเลยว่าคือเขามองเห็นเฉ่าะปฏุบันิภพเขาไม่มองเห็นว่าจริงๆในสังสารวัฏเนี่ยเขาไม่เข้าใจตรงนั้นพอป่วยอย่างนี้เขาไม่เห็นแล้วก็แต่ตอนนี้เขาเห็นแล้วเขาเริ่มเห็นชุดก่อนเขา่อกเขาแข็งแรงดีมากมาตอนนั้นสมัยเนี่ยมะพร้าวไปเยอะ เขาอกเขาไม่ทำไมแข็งแรงยังเหมือนก็ปวดด่วนๆไยแตเมาเยียอยาพอดีได้เนี่ยช่วยขึ้นมาพาให้ได้ข้าต้นหนึ่เนี่ยเออเขาขึ้นแล้วเนี่ยพยายามเน่ยว่าเอาลงไปหมดเลยเนี่ยก็ลงเลยของวัดมันมีหลายต้นเนี่ยเขาขึ้นๆๆๆได้ละบสามต้นน้าออกถ้าบอกว่าเฮ้ยช่วยเสร็จแล้เอาบอกว่าพอดีจะต้องรีบกลับแล้วก็ไป้จริงต้นใหญ่จังดูสิเขาไม่ยอมขนาดนั้นเลยนะ มารู้นิสัยเขาเลยโอ้โหยังไงก็ยางงั้นแต่ก่อนยังไงปัจจุบันก็ย่างนี้ไม่ยอมใครแต่ตอนนี้เริ่มเรื่มไม่ไหวต้องสะพาย<ม>แล้วเป็นคนขยันมากขยันจริงๆเวลาไปทำอะไรต่างตาเขาเป็นมันเลยเนะะยเขาคอยจ้องใช้เขาวิ่งปุ๊บป๊ปป๊ถ้าใครได้ก็ไปลูกน้องนี่โอ้โหสแสนประเสริฐเลิศเลิศ้นแล้ว คนฟันนี้เนี้ยเขารียขนาดนั้นจริงๆไม่มีจะบ่นท <c oughs> <c oughs> ี่เย็นพี่ย็นให้มีงานทำเยอะมากให้ทําอะไรทำหมดนอนกับดินกินกับทรายไม่เคยบ่นไปนอนตามปุนงตามป่าเขาทําได้หมดนั่นแหละบอกโอ้โหใครใครก็เสริญเสริญเขาก็นั่นแหละไอ้บ่าวจากคําสริเสริญแล้วโหเขาเอาอย่างเป็นกระทิงดุเลยตอนนี้เป็นกระทิงแก่ไปล้ไม่ได้เรื่องแล้ร โอโหจริงจริงในชีวิตชีวิตน่ากลัวไนี่เป็นจริงจงจริงแล้ก็มา ใ, ใครควรพิจารณาก็อย่าง น, นี้เขาไม่มียานในทุกไม่มียานในทุกขรสมูไทร์นะไม่มียานในทุกรกระนิรุธไม่มียาในทุกกระนิรุธนะคะมีเบร์เดอร์พิซซ่านี่เนะี่ยเขาไม่เห็นอะไรสัตว์เขาทํากรรมไปอย่างจริงเขาคิดว่าเขาทาเพื่อลูกเพื่อมีเพื่อแค่เพื่อแม่เพื่ออะไรต่างๆเนะสิ่งที่เขาคิดเนะี่ยดูเหมือนดีแต่ไม่ดีเลย เขาจะต้องไปเจ็บปวดคนเดียวต้องไปทรมานคนเดียวต้องไปทุกคนเดียวนะ่ยใช่ไหมเออถ้าหากเขาตั้งอัตยาริยะอย่างพวกโพธิสัตว์เขาจะเห็นแจ๋วมากเลยอ่ะเขาตั้งอัตยาใสเขาทุบในครั้งนี้ก็สร้างบารมีบ่มเพราะบารมีเนี่ยเพื่อจะเป็นสัมมาสัมโพธิยานี้เป็นต้นเลยนะเพื่อจะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตรเขาถ้าเขาใช้ความเพียนเรี่วแรงทั้งหมดเลยนะมาบำเพนบารมีเนี้ก็เป็นประโยชน์กับคนอย่างมันแต่เขาใช้ความเพียนทั้งหมดเนะ่ยใช่ไหม ในการไปเพี้ยนผิดตัวนี้ยเป็นมิจฉาวายามะแทนที่เขาจะทําสัมมาวายามะเห็น ไ, ไหมเป็นมิจฉาสติแทนที่จะเป็นสัมมาสติเป็นมิจฉาสมาธิแทนที่จะเป็นสัมมาสมาธิเห็น ไ, ไหมเขาไปจ้องบางทีเขาอยู่เป็นคืนเลยนยะไปจ้องยิงสัตนวะ์เนี่ยขึ้นไปบนเขาคิดดูดีก็จะต้องใช้สมาธิขนาดไห น, นจ้องอยู่งั้นนละยแล้วบาปประมาณเท่าไหร่ในกรณีที่เกิดใ น, นกระแสของขันธะไร่เลยนะของเขา เขาก็าคิดว่านั่นแหละเขาเป็นคนดีที่สุดที่เขาจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเติ้ลๆนั่เ น, น, นี่ยความไม่รู้เนี่ยความไม่รู้ของแบบแล้วเราก็มองมาเปรียบเทียบอย่างเราท่านทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นนะแต่เพียงว่ามิติมันต่างกันมิติมันต่างกันเราก็เพียนเพื่อลูกเพื่อล้านเพื่ออะไรต่างมาเยอะพวกองศาขนาดยาัดอะไรต่งตางๆแนวเลี้ยวแรของเราก็ทั้งหมดเลยใช่ไหม ทุ่มไปในงานที่จะทําเราก็คือคนดีคนหนึ่งเลยนะในการที่ประกอบอาชีพการงานอะไรต่างๆเนี่ยตอนนั้นจิตจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นอะไรต่างๆที่เราก็ไม่ได้ไปใส่ใจตรงนั้นเลยตั้งแก่ตัวเนี้ยเราเครียดกังงานเราเอาจริ ง, เ อ, รงเอาจังกังงานอะไรต่างๆเราเนี้ยนั่นก็ผ่านมาแล้วแต่ตอนเนี้ยบอกว่าที่เราจะมาเดินตามมาทำคําสอนของวุฒิย่าเนี่ยแล้วก็พลิกกลับ เราไม่ใช้อกุโสรจิตแต่จะใช้คุศสรจิตในการที่จะเดินตามสิกขาศาสของพระเจ้าในการที่จะขัดเกลาอัธยาศัยใช่ไหมเออความโลภเราทำยังไงให้ลดลงความโกรธทำยังไงให้ลดลงความหลงทํำยังให้ลดลงอัธยาศัยต่างๆเนี้ยมันก็ต้องเกิดจากการเอาพระธรรมของพระเจ้าเข้าไปลากลดคือดื่มอ่ะดื่มพระธรรมของพระเจ้าทุกวันดื่มมากๆดื่มพระธรรมของพระเจ้าเป็นธรรมโอสเนี่ยนะคำสอนพระเจ้าเลย ลำดับแรกก็คือเข้าใจพอเข้าใจเสร็จแล้วก็ให้กายกรรมวิจีกรรมและมนโนกรรมจิตที่คิดออกมานะเป็นไปด้วยการขัดเกลายีา้ริงเพื่อจะน้อมในการที่จะเป็นไปเพื่อการแขทงตลอดจรงอย่างนี้เป็นต้ น, นนะนะประการต่อมาคือพระเจ้ามีอะไรกันนอกจากยานในทุกยานในทุกกระสมุทัยยานในทุกขณีโรตยานในทุกขณีโรตรามามีประดิบตาก็คือายานในอัถฐยาในอนะัถฐน่ะปริ ญาณในอัตต ป, ปฏิสมัมพิทามัจญาณในธรรมะปฏิสมัมพิทาญาณในรุดนิรุตติปฏิสมัมพิทาและญาณในปฏิพ า, านนปฏิสัมพิทาญาณในความยิ่งและความหย่อนของอีญาณในอัตถาก็คือการรู้อัตถาอัตถานั้นเป็ชื่อของผลนะธรรมะนะมั้นเปชื่อของเหตุเนี่ยนะทีนี้พอรู้อัตถารู้ธรรมะเป็นเรื่องยาวเลยเป็นเรื่องยาวที่เจต้องไปวิจัยแล้วตรงนี้จริงๆต้องมาเรียนเอาปฏิสมัมพิทายาณเนี่ย มาเรียนเนื่อยเป็นวันเลยเงี้ยเนะก็ให้รู้คร่าวๆบอกว่าอาวิชาทังฐานวิญญาณมรูปสระยะายตนะภาษาเวทนาเนี่ยทีนี้อวิชาเนี่ยก็คือทุกข์ศาสตร์เนี่ยนี่เป็นเหตุเนี่ยอันนี้คือธรรมะสังขารนี่ก็คือเป็นอัตถะเงี้ยแล้วสังขารก็มาเป็นเหตุก็ได้แล้วก็ก็เป็นประจัยผลนี่ไปตนอนตอนนั้นญาณในการไปอย่างรู้ อัฏฐธรรมะนิรุตตินิรุตตินั้นเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของภาษาใช่ไหมเช่นคําว่าอาวิชางคำคำเนี้ยเป็นเป็นภาษาที่เราไปอย่างรู้เนี้ยทีนี้คนที่สามารถที่ว่าไปรู้คําว่านิรุตติเนี่ยเขาขยายนิรุตติได้เยอะมากเลยไวโพ์ของอวิชาเนี้ยโมหะเนี้ยสัมโมหะเนี้ยนะไอ้เงี้ ย, ย น, นะ การไม่แทนตลอดไงนะพวกอวิชชาทั้งหลายเนี่ยมันจะมีศัพท์คําไวยพจน์ของเขาอีกเยอะเหมือนนิรุตติคนที่แตกฉานในนิรุตเนี่ยพระพุทธเจ้าติรู้ภาษารู้นิรุตติหมดเลยอะ่ะพระพุทธเจ้ารู้นิรุตติหมดเลยรู้รู้อัจริยาสายทของสายหมดเลยใช้ใช้หนึ่งภาษาในการกล่าวพิธาม แต่ไดมีพระิ์มีพระพายานวิราชแล้วก็มีพระวจนะวิราชเป็นต้นทำทำนิรุติอริสยมิธานนั้นนี่ยเข้าไปกระทบใจของสัตว์ทั้หมดเลยให้เป็นภาษาของสัตว์นั้นๆเลยสัตว์ดิเรกชันฟังเป็นภาษาของสัตว์ดิเรกชันไปเปรตก็ฟังเป็นภาษาของเปรตไปนี่นะอสุรากายก็ฟังเป็นภาษาของอสุรากายไปยนะี่นยมนุษย์เทวดาฟันผบก็เหมาะแก่ อัธยาศัยของท่านเหมือนวันนี้พระพุทธเจ้าจะนิรุตท่านเก่งขนานั้นแต่ในโลกใบนี้ก็มีบางคนเนี่ยเก่งภาษาหลายๆภาษาบางคนนีถึงสิบแปดภาษาแล้วมีาบางคนถึงยี่สิบสามเพื่อนก็มีแต่อย่างอย่างเรานี่แค่ภาษาเดียวนี่ก็จะไปไม่เป็นอยู่แล้วใช่ไหมถ้าแกจะรู้ ส, สองภาษานี่ก็โอ้โหจะรับไม่ไหวแล้วแต่ยานนี้ท่านจะ ส่วนปฏิพานนะก็คือเกี่ยวในเรื่องของเขาเข้าไปเข้าใจทั้งสารประการเป็นปฏิพานะยานในยิ่งในะการยิ่งการหย่อนของอินทรีย์นี่เขาเรียกว่าอินทรียปโรป ร, ปริยติยานนั่นเองยานในฉันท่าเป็นที่มานอนและกิเลสมานอนเนื่องของสัตว์ทั้งหลายนะอาสยานุติยะยานในยะมะกาปปฏิหาริยานในการสแสดงยมกถ้าจ ะ, สะแสดงยะมะกาปะปฏิหารเนี่ยต้องมีพระยานที่ไม่ธรรมดานะ ไม่ใช่แสดงได้ทุกคนพระพเจ้าแสดงได้าสาวกก็ตด้ น, น้อยลงมาแล้วยานในมหากรุณาสมาปัฏิญานีอุบวามขวางมากคือจากมหากรุณาธิคุณเนี่ยนะที่ทรงมี ม, มีมีกรุณามีกรุณาในการสร้างบารมีมาเพราะได้บรรลุปุ๊บได้พยายอันนี้เลยอันนี้เป็นอาสาธนาญาณนนะมหากรุณาสมมาปฏิยนี้ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์ แล้สัพพยุตยานันาวรณายานอันนี้เป็นพยานที่แค่แสดงพระธรรมเนี่ยเป็นสัพพยุตยา น, นะอันนาวรณายานอันเดียวกันเนี่ยองค์ธรรมเดียวกันมาหากรยายิยาญาณไม่สอแทงตลอดอริยสัตนั้นพยานที่สามารถไปแทงตลอดแล้วสามารถกล่าวพระธรรมนั้นปาตามเทวศสนาที่พระบรมศาสดาทรงแสด ง, ดงทั้งหมดนั้นเกิดจากสัพพยุตยานเกิดจากผาไทยของพุทธเจ้าเกิดจากพระวจะนะของพระพุทธเจ้า ฉะ น, นพระพุทธเจ้านั้นเวลาตรัสพระธรรมนั้นจึงไม่ควรไปลบหรือไปเพิ่มพระพุทธเจ้าตรัสด้วยสัพพัญญุตญาณใช่ไหมแล้วสัพพัญญุตญาณน้คิดดูที่ว่ากลัวจะได้สัพพัญญุตญาณมาแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ทั่วถึงเท้านั้นเองเพราะว่าจตนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทองตรัสในพุทธญาณสีประการเนี่้นะเป็นบญญัที่สาวกทรงบรรลุได้แต่มีหกญาณ น, นะที่สาวกบรรลุไม่ได้ ก็คืออาสาธนัญญาอันเป็นต้นฉะนั้นคำว่าสัพพัญยุตยานเนี่ยนะสำมาสัมโพธิที่พระพุทธองค์ทรงได้มาเนี่ยสำมาสัมพุทธโธเนี่ยนะอิติปิโสกกวารังสัมาสัมพุทธโธเนี่ยนะทีนิธ apan ลนากคำว่าสำมาสัมพุทโธเนี่ยนะการทำลายหลังจากที่พระเจ้าทำลายกิเลสเป็นต้นในที่สุดจริงๆได้ตรัสรู้สำมาสัมพุทโธตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองเนี่ย แล้วก็ได้อาสวะคยญาณหรือสัมมาสัมโพธิญาณเป็นไวยพลดของอรหัตมะขยานนั้นดวงประที่ที่เขาจุดไว้ในเรือนในที่มืดย่อมกำจัดความมืดได้ในขณะหนึ่งย่อมสองแสงสว่างผู้มีจักษุคือตาดีทั้งหลายก็สามารถจะเห็นรูปได้ด้วยแสงสว่างนั้นชั้นใดอรหัตมะขยานนั้นก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์มมีอนุปาทานมีพระนิพพานเนี่ยย่อมกาจัดความที่ กิเลสซึ่งเกิดขึ้นในขนาดหนึ่งหนึ่งย่อมให้แสงสว่างคือพระยานนะฉะนั้นสัพพัญญตญาณย่ยยอมหเห็นธรรมเห็นธรรมอะไรบอกเห็นธรรมที่ควรรู้ทั้งสิ้นด้วยแสงสว่างนั้นฉะนั้นสวรรอรหัตตมัคคายานของพระอรหันต์เหล่าอื่นนั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมละ ก, กิเลสทั้งหลายได้แล้วก็สามารถแทงตลอดสัจจะคือทุกสมุทัยนิโรธเป็นต้นได้และยังสามารถทำปฏิสัมพิทายานทั้งสี่ อัฏฐปฏิสัมพิทาธรรมปฏิสัมพิทา n i r u ติปฏิสัมพิทาแล้วก็ปฏิภาณนะปฏิสัมพิทามาได้มาได้าตามสมควรแก่เนี่ยท่านเหล่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะลัโทษพร้อมทั้งวาสนาได้ไม่สามารถที่จะยังทำที่ควรรู้ทั้งสิ้นให้สว่างสวัยได้เช่นไม่สามารถที่จะทําให้สัพพัญญตญาณานาวรณัญาณอินเตียปรโปรปเริยติญาณอาสยา น, นุสียญาณ น, นะ เป็นต้นมหากรุณาสมาปัติญาและยมากา ป, ปฏิหานิยานไม่สามารถจะทําให้อาสาธนาญาณหประการเป็นต้นเกิดขึ้นมาได้จนในรายละเอียดบาทีนะเอาเป็โอกาสเพราะถ้าไปลุยในรายละเอียดของพยานเหล่า น, นั้นจ ะ, จะไปไกลเลยเนาะแต่ไม่สามารถที่จะเห็นโทษ ด, ดังที่กล่าวย่อมละอัตมายานที่มีกําลังเกิดขึ้นทีนี้ปฏิบัทาที่พระผู้อภิภาคเจ้าบําเพ็ญบริบูรณ์แล้วไม่มีส่วนเหลือย่อมละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาดังที่ได้กล่าว ว่าสนาความเคยชินทั้งหลายที่ติดมาในกรมวรสันดานของพระบรมศาสดานั้นล้าได้หมดสิ้นล้าได้หมดสิ้นเลยนโดยไม่มีเหลือส่วนอรหัตมรัตและเพราะเหตุที่เกิดขึ้นแก่พระอรหันต์เหล่านั้นอื่นไม่สามารถที่จะไม่สว่างสวัยฉะนั้นพระอรหัตมรั้นจึงย่อมได้พี่จะกล่าวว่าอรหัตมรัตบ้างโพธิบ้างแต่ไม่ได้ที่จะกล่าวว่าสัมมาสัมโพธิก็หมายความว่า ภาพขันเหล่านั้นถ้าได้บรรลุเนี่ยบอโอ้ท่านได้บรรลุเป็นโพธิเช่นเป็นสาวก่าโพธิปัจเจกับโพธิเนี่ยไม่เรียกว่าสัมมาสัมโพธิเพราะอะไรเพราะท่านเหล่านั้นไม่สามารถที่จะแทงตลอดได้ทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือเหมือนอารัธมาร์ที่เกิดขึ้นในกระแสะขันของพระพุทธเจ้าฉะนั้นอาราธาราธามาร์ทที่เกิดขึ้นในกระแสะขันของพระพุทธเจ้านั้นได้นามว่าสัมมาสัมโพธิ เพราะทำมวนลนแห่งเยยธรรมทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเป็นอันเดียวกันคำว่ามวลนแห่งเยยธรรมก็คือว่าทำสังขารทำวิการทำลักษณะทำนิพพานทำบัญญตัติให้มีความสว่างสวัยเสมอกันทำอริยสัจสี่หมายความว่าสัมมาสัมโพ ธ, ธิเนี่ยนะมัตที่จี่าสัมโพธิก็คืออรหัสมัตเนี่นะ เมื่อเกิดขึ้นมาเบียดเร็จแล้วก็จะทําสความสว่างสวัยีนทุกในเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ในความดับทุกข์ในข้อปฏิบัติให้ขึ้นเข้าถึงความดับทุกข์ให้มีความสม่ำเสมอเลยทีนี้ท่านกระท้วงบอกว่าอาตธรรมเนะี่ยจะได้วัวหานว่าสัพพัญยุ ต, ตะวะอย่างบ้างทาเยียรยทําทั้งสิ้นบ้างให้มีความสว่างสวัยเป็นเดียวกันเนะี่ยฉะนั้นอาตธรรคนั้นย่อมไม่ได้วัวหานั้นเพราะในขณะมีในขณะเดียวถามว่าอี๋ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถามว่าอรหัตมารกับสัพพยุตยา น, นี่ไหนกวามขวางกว่ากันใช่ไหม <amusing. S 1> เพราะอรหัตมารได่เกิดได้ขนาดกีเดียวหลังจากอรหัตมารดับไปแล้วอาจจะผลตามมาต่อมาก็ได้สัพพยุตยานเพราะสัพพยุตยา น, นั้นได้แก่มากุศลยา น, นะสัมปยุตทีนี้เออขออภัยมากิริายา น, นะสัมปยุตเนะี่ยมารกิริายา น, นะสัมปยุตนั้นที่เป็นสัพพยุตยา น, นั้น กับอาตมาคเนี่ยอะไรทํามณฑลทั้งสิ้นให้สว่างสวายมากกว่ากันท่านก็ตั้งประเด็นไว้ท่านก็อุปมาอย่างนี้นะท่านอุปมาบอกว่าเพราะมีขนาดเดียวและมีผ่านเป็นลมันเดียวไหยอุปมาเหมือนดวงปรที่ที่เรานํามาแล้วเพื่อประโยชน์แก่แสงสว่างดวงประทีปที่เขาจุดในเรือนในเรือนนะยามรัตกติรัติการย่อมกาจัดความมืดในขณะหนึ่ง ย่อมทำพันธะมีหม้อและผ้าเป็นต้นที่มีเงเรือนทั้งหมดให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันดังั้นดวงประทีปนั้นแม้กระชาแสงสว่างอยู่อย่างนี้ย่อมไม่เห็นพันธะทั้งหมดหรือบางส่วนแต่ว่าผู้มีจักษุอื่นย่อมเห็นเขาแม้เห็นอยู่อย่างนั้นย่อมเห็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างตามที่ปรารถนาชั้นใดอัตอัตมัต ย่อมยังเยียวยาเยียธรรมทั้งสิ้นให้สว่างสวัยด้วยการละความมืดคือกิเลสนะราคะโทสะโมหันนี้ถือเป็นความมืดฉะนั้นในขณะที่อรัฐมรรคเกิดขึ้นในขณะนั้นนะ่ะเขากขจัดความมืดคือกิเลสออกได้ย่อมไม่รู้สิ่งนั้นเป็นแผนกแผนกย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสปญุต ย, ยานอันสมควรแก่การนึกในภายหลังเข้าใจไหม คืออาราธมามะขยานในขณะเดียวไงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับดับไปด้วยถามว่าแล้วอาหารแล้สัพพนยุตยานเนี่ยที่สามารถรู้ได้อย่างกว้างขวางรู้ได้อย่างมากมายรู้ได้อย่างทะลุทะลวงรู้ได้อย่างไม่ติดขัดหรือไม่ติดข้องสามารถกําหนดโลกธาตุทั้งสิ้นให้ปรากฏขึ้นมาได้ถามว่าเพราะอะไรเพราะอาราธมามะนั่นเองถ้าไม่มีอาราธมามะตอนนั้นจะรู้ได้ไหมเอาอย่างนี้นะ คนที่ได้รับอภิสิทธิ์ใช่ไหมการได้รับสถาบันเป็นพระราชานะพอได้รับสถาบันปุ๊บตอนนั้นมาขณะเดียวเนะี่ยที่ได้รับสถานันปุ๊บเนี่ยแต่ใช่ไหมหลังจากนั้นเมเสร็จแล้วเนี่ยพระราชาอำนาจกว้างขวางไปทั่วพื้นแผ่นดินใช่ไหมถ้าไม่มีขณะนั้นจะสามารถกำหนด แผ่ขยายก็รับจำหน้าได้ทั่วแผ่นดินได้อย่างไงใช่ไหมจฉะนั้นจะไปบอกว่าอารามธรรนั้นไม่รู้ก็ยากอยู่เหมือนกันใช่ไหมเพราะอารามธรรมนั้นจะเกิดกับบุคคลหนึ่งได้เพียงครั้งเดียวจะไม่เกิดหลายครั้งตรงนี้นี่แหละก็ด้วยอนุภาคแห่งอารามธรรมนั้นก็เปรียบเหมือนบุคคลผู้ได้ฌานเะนี่ย ผู้ได้ชาญคนใดคนหนึ่งนั่งอยู่ในที่แผกสิมโดยคิดว่าเราจะดูรูปทั้งหลายในป่าหิมะพานเป็นต้นที่มีเนื้อที่ประมาณเท่านี้เข้าชาญตามลาดับมีกระสิมเป็นอารมณ์ออกจากเจตจารแล้วไข้ควรด้วยการมอวจรจิตรูปจงปรากฏในระหว่างนี้อธิษฐานอีกรูปย่ำปรากฏพร้อมกับการอธิษฐานจิวการาอธิษฐ า, านในที่นี้เป็นอภิญญาจิตนะ ก็จิตดวงหนึ่งนั่นเองมีรูปเป็นอารมณ์เป็นรู ป, ปาวจรจิตตัวฌานก็จิตตนนั้นแสดงเห็นด้วยสามัญยารูปแล้วดับไปไม่สามารถจะรู้แยกแยกเป็นปรกแหนกเพราะมีขนาดจิตเดียวเมื่อจิตนั้นดับไปเธอก็นั่งตามสบายในป่ายังเห็นรูปที่ส่องแสงสว่างได้เป็นตลอดนี่คนคนที่คนที่ทำมาผิดอย่างสมมุติเนี่ยที่เขานั่งอยู่ในป่ายืนเมือ่อปายแต่ก็ปรารถนาจะมองเห็นด้วยตางก็เนี่ย เห็นปลาเห็มนมพร้าวทั้งหมดเลยนี่นะเขาอยู่ในบ้านนี่นะเขาเข้าจตัวทาชานเอาใจตัวชานเป็ดเสร็จก้าที่ฐานไอ้ฐานเสร็จกลับเข้าฟูกใหม่ทญญาาําพิญญาในขนาดจิตเดียวหน้าพญญาจิตเนี่ยมีหนึ่งขนาดพอพิญญาดับไปแล้วเนี่ยเขาใช้จิตธรรมดาเนี่ยเดูนั่งดูสบายเ ห, เห็นทั่วเลยเห็นทั่วหมดเลยตอนเนี้ยมังก็นั่งอยู่ตรงนี้นะเขาต้องการอยากจะตรวจ ด, ดูประเทศไทยทั้งประเทศเลย แต่นั่งดูเนี้ยอยากแต่งดูในต่างก็เลยอยากเห็นชัดเจนในตาางก็นี่นเนี่ยเขาจะตรวยสารเขาพิญญาปุ๊บพอพิญญาเข้าที่ฐานนะขอให้เขาสามารถมองประเทศไทยได้ภายในชั่วโมงทั้งหมดเขาจะตรวจ ด, ดูประเทศไทยแต่และมุมต่างๆวยตางเขาเนี่ยพอพิญญาขณะจิตเดียวเกิดขึ้นมาปุ๊บดับไปเขาก็นั่งตามสบายดูเห็นเขาอย่างเงี้ยสัรพยุจญาคล้าอย่างเงี้ ย, ยแต่เขายิ่งใหญ่กว่าพิญญ า, าทะลุทะลวงเร็วกว่านี้ Ẹ, nh, ไม่อันนี้ทําให้อยู่ไม่ไม่ด่าเต่พูดให้ให้เห็นได้แบบนี้อย่างนี้ถ้างั้นไม่ต้องไปเที่ยวเลยใช่ไหมไม่ต้องเสียเงินถ้ะอยากจะไปไหนก็เข้าหินยาไปดูไม่ต้องไม่ต้องจ่ายค่าเครื่องบินด้วยไม่อยากได้เครื่องต่ไปปิดบ้านปิดช่องทำ ทำไม่ได้เห็นในบ้านเห็นอะไรยังห่วงต้องออกจากบ้านต้องออกจากเรือนจิผู้ไม่มีเลยนี่เป็นอย่างนั้นนะเขาก็สามารถเห็นหิมะเห็นภูเขาเห็นแม่น้ําเป็นแม่น้ําคงคาแม่ตอนนี้เป็นสาลนี้เป็นต้นไม้นี้เป็นผลไม้นี้เป็นดอกไม้ในเรื่องนั้นวิญญาจิตมีหน้าที่สองเห็นรูปเท่านั้นแหละการอวจรจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้การจําแนกเช่นเดียวกันเหมือนกับธรรมน่ะเช่นเดียวกับวิญญาจิตเนี่ยทําการสองมเห็นเยียวยาธรรม ย่อมเห็นตามปรัถนาด้วยการมาวาจรจิตในภายหลังฉะนั้นนะั้นสัพญุตยานของพระพุทธเจ้าเป็นจะไหนคือสัพญุตยานก็ตตาครรู้สัมถตาธรรมอันสังตมทั้งพวงเลยไม่มีเหลือชื่อว่านาวรณญาณเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องกัดขวางญาณนะเขารู้หมดนะสัพญุตยานเนี่ยเขาสามารถไปรู้สัมถธรรมหมดเลยอ่ะคือรู้โลกธาตุทั้งเส้นรู้ขันทั้งหลายที่อยู่ในโลกธาตุทั้งเส้นรู้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกธาตุทั้งเส้น ส่วนอนนาวนณญาณก็เป็นการเข้าไปเสริมหนึ่งทำให้การรู้นั้นไม่มีอะไรขาดขวางได้เลยนั่นเขาพินไปนันเดียวกันเนี่ยตัวหนึ่งเข้าไปรู้อีกตัวหนึ่งไปขจัดการสิ่งกีดขวางใช่ไหมรู้โลกธรรมจนสิ้นทีนี้ถ้าเขาต้องการจะไปรู้บัญญัติเขาก็รู้หมดเลยอ่ะที่ไม่มีปจัจจัยกรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยนั่นแหละสภาว ย, ยุตยานไปรู้หมดแล้วจะไปรู้นิพพานรู้หมด นิพพานของพระเจ้าในอดีตที่ผ่านมาเข้าไปเห็นหมดเลยนะนิพพานของพระหันสาวกทั้งหลายนิพพานของพระสกาทานาคาพระโสดาบันเบต้นรู้หมดแม้ของพระเจ้าที่จะมาในอนาคตนี่นะสองรู้อย่างเนี้นะแต่เป็นยุทธญาณมั่นด้วยไม่มีคาดเคลื่อนด้วยถ้าบอกว่าท่านบุญเนี้ยจะเป็นพระเจ้านี่เป็นจริงๆ จ, จะต้องตัดทะลุในยุคนั้นสมัยนั้นจะต้องมีอักรส า, าวกชื่อนั้นอักรส า, าวก เบื้องขวาเบื้องซ้ายชื่อนี้มีมารดามีบีดาอย่างเงี้ยรู้เบีดเสร็จนั้นถ้าจะถ้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าเนี่ยก็จะต้องดูโอ้ oh, ท่านมึงนี่ปราณไส้ใหญ่นีท่านให้เกียรติเลยถ้าเปนปรนารไส้ใหญ่นะท่านไม่ข้ามหรอกดูสิดูพระทีฟังกรเนี่ยนอกจากไม่ข้ามแลท่านเคารพนะมโอ้ท่านถือดอกไม้ไอ้ท่านประทัดศิลเลยพระอรหันต์ทั้งหลายก็ประทัดศีลไง นี่พระเจ้าในอนาคตจะแน่นอนเลยอ่ะขนาดตั้งเสียสงไข่ท่านยังเดินเวียนลอกปุ๊บๆแล้วใช่ไหมใช่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยนี่พระเจ้านี่หนอนเนื้อพุทธังคูนี่นี่หน่อหนอห น, นอเ น, น, น, นี่ยเนี่ยหนอนโพธิ์ใช่ไหมหนอโพธิ์น อ, นนอนสัมมาสัมโพธิ์หรือหรือถ้าเห็นอัครสาวกมาปุ๊บเนี่ยท่านก็บอกไว้นี่ไง นี่ไงเสาวว่าเบื้องขวาในอนาคตนี่ไงสาว่าเบื้องซ้ายในอนาคตของพระเจ้าองค์นั้นงนั้นเห็นนล้ทักเลยใช่ไหมน่าชื่นใจไหมล่ะเมื่อได้ไปเห็นเนี่ยไม่ใช่แต่ละมั่งมีอะไรต้องนนต้องต้องมั่นคงจริงๆใช่ไหมน่าชื่นใจไหมล่ะท่านเนี้ยคือท่านรูนะ้ไงแล้วท่านก็รู้ว่าโอ้ยท่านบนนี้หน่อเนื้อพุทธทางกู แล้วท่านรู้มาตั้งนานเนี่ยใช่ไหมท่านรู้มาตั้งนานเนี่ยแต่ท่านไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทำงานแต่ถ้าบอกจะตัดสู้ภายในสี่สงสัยเป็นเร่อท่านทยากรท่านกัปปยากรท่านยากรเป็นนิยตาโพธิสัตว์บรรลุเน่ยหละแต่แต่ให้สังเกดตดูนะให้สังเกดตดูนะอย่างเราเนี่ยคนมีกิเลสอย่างที่เราไม่ได้ตั้งอธิยาสัยเนี่ยถ้าใครมา มาทํานายเราเนี่ยบอกว่าเนี่ยคนคนนี้โชคดีเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยถ้ามาบอกว่าโชคดีนะเนี่ยจะได้หยิบได้ดีเป็นเสร็จเนี่ยโหเป็นเ่ได้ประมาทเยอะเลยใช่ไหมประมาทแค่อยอะเลยนี่ไม่ใช่อธิยาสายของบริษัทเพาบริษัทนี่ยิ่งมีแรงกระตุ้นยิ่งมุ่งมั่นไม่ลดละถ้าได้รับพุทธวิทยากรด้วยแล้วเนี่ยนะท่านยิ่งมุ่งมั่นเลยไปไข้ครวนเีญ เ่อท่านไปไข้ควรเบสเซนเนี่ยโอ้โหท่านมั่นใจตัวท่านมากเห็นไหมใข้ควรมากพิจารณานั่งอยู่บนกองกองกองดอกไม้ที่เขาบูชาคนมจั น, นทึกนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะท่านก็เริ่มพิจารณาบา ร, รมีของท่านนะอะไรนาะท่านก็เริ่มพิจารณาบา ร, รมีตั้งแต่ทานเป็นต้นจนถึงเือขาแล้วก็ผูกบา ร, รมีในใจในตนแล้วก็ผูกสัตว์ในตนยังไงท่านเข้าพิญญาดูสัตว์โลกที่กระเงงด้วยความทุกข์ยังไงเห็นไหม ท่านบอกจะขนสัตว์หรือสัตว์ยังไงท่านวางแผนท่านอย่างยาวนานดีไหมเนี่ยนี่เป็นยังไงงั้นสัพพยุจทยา น, นั้นท่านรู้ท่านรู้สังกัตธรรมและสังกัตธรรมสัพพยุจทยานเพรา ะ, ตะถตาคต ร, รู้ธรรมส่วนอนาคตทั้งปวงโอ้โหที่จะเป็นไปนาคถึงไหมสัพพยุจทยาถ้าท่านจะดูนาคท่านรู้หมดเลยอนาคตราหน้าญาณก็ทํากิจในการไม่มีอะไรกีดขวางเลยนี่คือสัพพยุจทยาน ซาพยตยานก็คือพระองค์รู้ทำส่วนอดีตทั้งปวงชื่อว่านาวานาณยานก็คือว่าขจัดความขัดขวางสิ่งขีดขวางในอดีตทั้งหมดได้หมดเลยคือคิดอดีตได้เร็วอะ่ะก็ท่านกล่าวถึงขนาดหายใจเข้าหายใจออกในเก้าสิบสองขับเก้าสิบเอ็ดขับโอ้โหใช่ไหมขับหนึ่งยังเงอันนี่หายใจเข้าพุดพุดหนึ่งเข้าแล้วคิดตัวทีถ้าท่านจะหายใจตั้ พัคนค OH, รั้งเนี่ยนะเรื่องอดีตเนี่ยโอ้โหเธอุทะลวงหมดเลเนี่คือคือพยานของพระเจ้าสรรพจักรยานนั้นน่ะรู้ทำ ท, ทั้งที่ส่วนปัจจุบนันทั้งพวางอนันวญาณก็ไม่มีอะไรดีกวา่ารู้หมดเลยเนในโลกกระทำทั้งสิ้นที่เป็นไปในปัจจุบนันทำที่เป็นภายในทำที่เป็นภายนอกอย่างเราทําภายนอกคิดไปกางทีคิดได้ต่ un, ละคนละคนใช่ไหมคือจริงอยู่ทีละคนจะช้ามากที่จะนึกถึงคนแต่ละคนนี่ ใครหน้าตาจําชื่อไม่ได้ท่านจําได้ไหมคนเนี่ยหน้าตา่างชื่ออะไรอย่างนี้คนนั้นยังไงเหมือนกันนะบอกโอลืมไปแล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็ น, นยังไงใช่ไหเนี่ยพระเจ้าใหม่อะดังนั้นการการเป็นพระเจ้าเนี่ยไม่ไม่ธรรมด า, าจริงพระองค์นั้นสามารถที่จะรู้รู้ธรรมทั้งสิ้น รู้ทั้งธรรมที่เป็นภายในธรรมที่เป็นภายนอกธรรมที่เป็นส่วนนดีธนาคดปัจจุบันภายในภายนอกอย่างละเลอเียดเร็วเร็ยี่แปรกันรู้ละเลอียดละองขนาะดนั้นและในปัจจุบันน่ะพบนี่นะไม่ต้องพูดถึงไงใคร ถ, ถ้าใครมาถามว่าถ้าแต่พระองค์ทู้จเจริญพรานพูดให้พระเจ้านึกได้ไหมใ ช, ใช่ไหมพระเจ้าบอกสถกดคิดได้มีอยู่ครั้งหนึ่งสังเกตอยู่ไนหะที่ท้าสกดิตอนนั้นจะมาเฝ้าพระเจ้าเลยพระเจ้าเข้าสมาบัติอยู่ แล้วก็ไม่ได้เฝ้าทั้งหลายครั้งจนครั้งสุดท้ายท้าสกาจะตายอีกแล้วภายในเจ็ดวันนี่แหละในสกาปานาสูนี่แหละที่ให้ที่ให้ที่มีหน้าที่ในการขับกล่อมเนี่ยปัญจสิกาเทพประวุฒิเนี่ยถือพินสีเหลืองเหลือเป็นต้นเหล่านี้ไปขับกล่อมมูท้เจ้าให้เฝ้ามูท้เจ้าที่ไปสร้างเสริญนางสุริยะวัดแฉสากเป็นต้นเหล่านี้เพราะไปหลงรักผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็ไม่รักเนไปบาลนา พลนาทุกษัตริย์วก็พัฒนาเอ้ยพละนาเนสมุทัยแจักรบอกว่าพระบรมราชสดานั้นในยินดีเพลิดเพลินในพอใจในในในนิโรธาัสจักันดายารพเจ้าก็มีความยินดีพอใจในนางสุริวะสุริยะวัชิสาอย่างนั้นแหละว่าบอกว่าพระนางงามมากพลนาความงามเนี่ยพลนาความงามของของของนาง ถ้าถ้าจะงามจริงเลเนีพยโพงเงี้ยเจอหลายสูตรเลยนะกลุ่มพวกนางเทพธิดางหลายเนะี่ยเออไปเจอนางอะไรคนนะึงโรยนินีหรือใครนะที่ว่าไปตายไปแล้วเป็นพระโสดาบันนะ่ยแต่ก่อนเป็นโลกเหมือนโรกเลือดโลกตุ่มตามตัวเต็มไปหมดแต่พอไปสร้างศาลาลงฉันถวายพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆนะ์มีพระเจ้าเป็นประธานนะนะั่นแหละไปใส่ก็ให้ไปบัดกว่าพระเจ้าให้ไปบัดกวาดไ ป, ไปต่างๆนะ ข, าา ข, าาข้าวนะข้าก็สรีระจากที่ขุกข่าก็หายเกลี้ยง แล้นี้ส่วจริงได้ไปรู้เป็นพระโสดาบันก็เลยกลายเป็นคนงามต่อมาเธอก็ตายตายแล้วไปอยู่ในทัศวรชัน้นเดามดึงอยู่มั้ยตายโอ้โหเทพประมุขแย่งกันเลยแย่งกันเลยอย่มั้ยทีนี้เออีกคนนึงก็บอกว่าแหมบอกว่าท้าสกาศก็บอกว่าเป็นยังไงบอก ว, าอกวาอาา่าบอกว่าต้องการยาได้นางเนี้เขาบอกว่าทําไม่ได้เพราะว่าเข้าไปเจ้าหลงรักนางนี้มากนางเทวีดาท่านนี้มาก คือพอเห็นนางอะจิตใจข้าพเจ้าเหมือนเสียงกรองอมันเต้นอยู่ตุมต้มตุมต้มตลอดเวลาแล้วไม่หยุดเลยว่างั้นความรักของเธอน่ยว่างั้นเทพประมติดชั้นยังก็เอาแล้วเธอตันนนะโอ้โหผมว่าตาของข้าพเจ้าเนี่ยตาของข้าพเจ้าเนี่ยว่างนั้นจากปกติธรรมดาท่าหล่นออกมาอย่างตาปูเลยนนวลล่างั้นก็เห็นนางก็คือหลงรักว่าตาเขาวิ่งออกมานอกเบ้าเลยอะความรักตันหามตันหาตันหามวิ่งวิ่งดันลูกตามข้าพเจ้าเนี่ยว่างั้นนะ ท่หล่นออกมาเลยว่าไงบอกว่าท้าวสก่าบอกโอ้สองท่านเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยท่านถือน้อยมากว่าไงแต่เราเนี่ยทีพอเห็นนางแล้วทำไม่ได้ต้องใสตายแน่ก็เสร็จเลยท้าวได้ท้าวสก่าได้เสร็จเขาบอกว่าที่ท่านหาว่าท้าวสก่าตายวิมานทางหมดใช่ไหมเทวดาเหล่านั้นเดือดร้อนหมดตั้งนั้นโอ้ยมวยขอกันยกต่อไท้าวสก่าเรื่องเลยจบไปเลยนางนี้ก็เลยเป็นเบิจาริการ บาตริการบางปริก า, ะ า, กาะรกาะของท้าสกาับริการิกาของท้าสกัเ่ยแปลกดีเอไม่ตั้นหาท่าสกาัยังทีนี้สัพพัญญตัยยานเนี่ยนะรู้ทาก็คือตาจะรู้ตาและรูปทั้งหลายทั้งหมดก็คิดว่าตากับรูปเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้ทั้งหมดเลย ตาครูปที่เป็นปัจจุบันนี้ของมนุษย์ในสารกิจกวัตรทั้งหมดไปไข้ครวรด้วยความปิทุกษารุ่นเลยแล้วก็ตากับวรูปทั้งหลายในอดีตทั้งหมดตากับวรูปทั้งหลายนี้จากวาั้เสนที่จะมาในอนาคตสัลยนาวราณายานไม่มีอะไรมากีา่หังหูวสุดจันยิงนะคือเอาตากับวรูปมาไข้คนทั้งหมดเลยอย่างเราที่เจริญแล้วตากับวรูปจะสองตา ก, กันหมกั้วรูปนี้ก็ไปไปเป็นแล้วใช่ไหมจ๊ะมีสภัญยุทธญาณรอบรู้อย่างนะั้น รอบรู้รายละเอียดขนาดนันค้คือคือบางทีเนี่ยถ้าเรามาพิจารณาอาศัยตาและรูปอยู่ไหมก็พิจารณาเห็นโดยความมีทุกข์สัจจะพิจารณาเห็นโดยความมีทุกข์สัจชื่อว่าสัพพยุญตยานปัตตาคตตัสรู้รูปทั้งหลายทั้งหมดนะนะชื่อว่านาวรณญานเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องกั้นในยานนะั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องกั้นยานนะั้นชื่อว่าสัพพัญญตยานพัตถาคต ร, รู้หูแล้วก็เสียงทั้งหลาย แล้วก็จมูกรู้หูรู้เสียงรู้จมูกรู้กลิ่นรู้ริ้นรูรดลูกายรู้สัมผัสรู้ใจแล้วก็รู้ธรรมาลมนี่นะส่วนอานาวัณนาญาณก็คือไม่มีอะไรมาขีดขวางแล้วตระการต่อมาชื่อว่าสัพพัญญตญาณก็เพราะทรงรู้รูปที่เป็นของไม่เที่ยงรู้ตารู้รูปที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นอะรเนี่ยนะที่เป็นของไม่เที่ยงนะรู้ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมที่ไม่เที่ยงรู้ตาหูจมูกร่นกายใจที่เป็นของไม่เที่ยงรู้สัญญาสังขารวิญญาณเนีนะรู้ไม่ใช่รู้รูปอย่างเดียวเนะี่ยรู้รูป ร, รู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนะนะแล้วก็รู้ตาเป็นต้นก็ไล่ไปตามลําดับไปถึงชรามารณะเนี่ยไนถึงชาร า, า, นะชามรารณะ ที่จริงบ่าอาศัยตาและรูปเกิดจากขู่วิญญาณการประชุมของธรรมสามารประการบินภาษาใช่ไหมตาเป็นของร้อนเป็นต้นรายเป็นตามดับเป็นตารูปจากขู่วิญญาณจากขู่สัมผสัสเวทนาเห็นไหมแล้วก็ชาติชราเป็นแล้วก็ชาติชราพยาธิเป็นต้ฟฟฟฟนโศกกาลพิริเวทุกทุลมนัสเตาปลายาเป็นต้นรายเป็นตามไม่มีอะไรเป็นเครื่องกัดกวาอนก็อนนาเวลาในยานพระต ถ, า, ถาคตนั้นน่ะรู้สิ่งที่พึงรู้ยิ่ง ที่มีเป็นสิ่งที่พึงรู้ทั้งหมดตถาคตรู้สิ่งที่พึงกําหนดรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่พึงกําหนดรู้ทั้งหมดที่ชื่อว่าสัพพัญญตยานก็พ่อรู้อะไรรู้สิ่งที่มีหรือสิ่งที่พึงละทั้งหมดเป็นต้นเหล่านั้นสัพพัญญตยานตถาคตรู้ขันทั้งหลายทั้งที่ขันทั้งขันที่ทั้งนั้นทั้งหมดที่เป็นขันสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นอายตนะสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นธาต ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสัพพัญญตยานแล้วก็รู้ธรรมนะรู้ธรรมที่เป็นกุศลอกุศลอัพยากตากามาวจรูปวจรูปาวจรูปาวจรโลภุตระทั้งหลายเนี่ยสัพพัญญตยานก็รู้ทุกเป็นทุกสมูทัยว่เป็นสมูทัยนิโรธเป็นนิโรธมากเป็นมารัสัตที่ว่านาวนรเลยานก็เพราะไม่มีอะไรมาขัดขวางสัพพัญญตยานก็ตถาคตรู้อัฏฐปฏิสัมกิทา เพราะตถาคตลงรู้ธรรมะปฏิสัมพิทารู้นิรุตติปฏิสัมพิทารู้ปฏิภาณปฏิสัมพิทานนี่แหละถ้าชื่ออนาวนาญาณก็ไม่มีอะไรมาขัดขวางทีนี้ชื่อว่าสัพพยุตยานเพราะลงรู้ญาณในความยิ่งและความหย่อนก็นั้นแหะเป็นอินในกลุ่มของอินทริยปโรปริยัติยานอาสยานุสยานมหากรุณาสมาปัติยานแล้วก็ยมกปาฏิหาริยานเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสัพพยุตยาน นีสัพพยุตยานท่านเรียกว่านาวรณยานเพราะไม่มีอะไรกัน้นไม่มีทําอะไรมาขัดขวางหรือบุคคลไหนจะสามารถทําการกัน้นเพราะทําทั้งปวงขึ้นอยู่กับการนึกหน่วงก็ชนเราอื่นแม้นึกหน่วงแล้วก็ยังไม่รู้แต่ว่าสัพพยุตยานก็ดีนาวรณะยานก็ดีไม่ได้เป็นอย่างนั้นสามารถที่จะรู้แจ้งแทงตลอดขันธาตุอายตนะต่างๆเหล่านี้ตรงนี้ท่านก็มาวิจัย เอาเริ่มตั้งแต่นั่นแหละจกักขุเป็นต้นเหล่านั้นนะนะจกักขุโสตาธานาชิวหากายะรูปารมสัตารมกันตารมลัสอารมแล้วก็โหดทารพารมเป็นต้นเหล่านั้นเอามาวิจัยอามาไถ่ควรอามาพิจารณาจนถึงในองค์ขันอายตนะท่าอินทรีย์พบอัตปัญญาปฏิจจสมบัติสิบสองนั่นเศษที่ท่านองมาแสดงมากมายขนาดนั้นเพราะท่านต้องการแสดงอะไรรู้ไหมแสดงภูมิของสพัญญุตยา ให้รู้ว่าสัพพัญญตญาณ น, นั้นเป็นธรรมะที่กว้างขวางมากสามารถรู้ละเอียดแล้ว อ, อทั้งสิ้นทีนี้ถามว่าเมื่อเรารู้สัพพัญญตญาณมีความกว้างขวางมีความสามารถขนาดนี้เป็นต้นเหล่นี้ประโยชน์ที่พึงได้รับจากการศึกษาตรงนี้ก็คือว่าจะได้มั่นใจในพระธรรมของพระเจ้ทาที่พระองค์ทรงตรัสมาเนะี่ยอันนี้เกิดสัพพินซีนะในดีกาวิสุพินมัสท่านแสดงบอกว่า สัพพยตยานน่ะเนีเมื่อเป็นไปย่อมเป็นไปในลมทั้งพวงคราวเดียวคือย่อมเป็นไปตามลําดับท่านก็ที่บายบอกว่าสัพพยุตยานย่อมเป็นไปในลมทั้งพวงคราวเดียวเนะี่ยการหยั่งยู้โดยการจําแนกสัมคติธรรมทั้งหลายและสัมคติธรรมเนี่ยกับสมมุติธรรมทั้งหลายเนี่ยอันตามด้วยอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกเป็นต้ น, นก็ไม่พึงมีเหมือนกับบุคคลเพ่งดูผืนผ้าอันวิจิตได้แต่ลึกไยในที่ปรากฏพร้อมกันเนี่ยก็เป็นเช่นนั้น นั่นก็ยกตัวอย่างนั่นคือความประเสริฐแห่งสรรพยุติยานที่สามารถไปกําหนดรอบรู้ต่างๆเหล่านะั้นทีนี้ก็มาพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะที่จริงในบทของสรรพยุติยานนี่ท่านยังขยายไปอีกค่อนข้างเยอะนะแต่เดี๋ยวค่อยๆค่อ ย, ค, อ ย, ค, อ ย, ค, อยค่อยว่ากันต่อไปในตามลําดับตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใช่ไหมว่าตรัสรู้โดยชอบและโดยพระองค์เองโดยหลักปิจเกินก็คืออยู่ตรงนั้น เราท่านทั้งหลายเวลาเรามาศรัทธาหรือว่านอบน้อมคุณของพระพุทธเจ้าก็คือการมาระลึกเริ่มตั้งแต่อรหังแล้วก็สัมมาสัมพุทโธวิชารยานาสัมปันโนเป็นต้นโดยเฉพาะอันนี้ก็คือมาศึกษาคำว่าสัพพะสันตตาสังกัตตาอานนาวเสสังชานาติติสัพพัญยุตยานาเป็นต้นสัพพยุตยานั้นมีมีด้วยความวรู้สังกัตตาถามอสัพพะสังรมจริงๆตรงนี้ก็กินความไปหมดอยู่แล้ว ก็คือสังกัธรรมสังกัธรรมที่มีปัจจัยประชุมภรุงแต่งและที่ไม่มีปัจจัยประชุมภูุงแต่งพอขยายแยกแยะเป็นในรายละเอียดแต่เราท่านทั้งหลายเกิดมาในยุคนี้การที่เราได้เดินตามหรือไข้ควรใช้สติสัมปชัญญะของเราท่านทั้งหลายพิจารณาตามสัพพัญุญาญานของผู้มีพระเจ้าใช่ไหมการเห็นปพยานของพระพเจ้าที่เป็นไปตามลำดับตามสติกำลังของปัญญาของเราท่านทั้งหลายนั้นเป็นการทําให้สัตตินรีย์ของเราได้ท่องเที่ยว สตินสีสตินเซสัตินซีวุรียินรียสตินซีสมาตินรียและก็ปัญญินทรียอย่างนี้ก็เรียกเป็นธรรมะบ่มสัตินรีเป็นต้นเพื่อให้ถึงปัญญินรียเมื่ออินสีเนี่ยแข็งแรงเนี่ยเราจะได้มีที่ท่องเที่ยวในการเจริญพุทธคุณแต่ก่อนเนี่ยเราตึกพุทธคุณได้น้อยได้เบาได้ไม่กว้างก็เพราะไม่มีอารมณ์อารมณปัจจัยของสัตินรีเท่าไหร่ แต่ตอนนี้เวลาเรามาเรียนกระจายสัพพยุตยานของพระเจ้าหรือสมาสัมพุทโธของพระเจ้าต่อไปสัดทินรียเป็นต้นจนถึงปัญญินรียเป็นที่สุดจะได้มีอาหารคือได้อรารามณ์นจจ่าัระใจในการเสพคุนจะทําให้เขาโตขึ้นและเขามีกําลังก็แต่ก่อนนั้นสัดทินรีย์มันอ่อนแอมากเขาน่ยอ่อนแอมากคุณสัดทินทรียทั้งหลายเนี่ยอ่อนแอมากยังไงแล้วก็มาเพิ่มสัดทินรีนย์ให้มีกำลังเพิ่มวิตยินรีย์มีกําลัง เพิ่มสติให้มีกําลังเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญาให้มีกําลังมากขึ้นเมื่อเขามีกําลังมากขึ้นแล้วตัวอินทรีย์นี่แหละจะเป็นตัวที่ทําให้เราเข้าเข้าหาสติประธานสมปาทานเปน็นต้นเหล่าเนี้ในส่วนยิงจะเป็นปัจจัยการบรรลุเขาใช่ไหมเพราะอินทรีย์ทั้งหลายเป็นทางที่ควรจเจริญเนี่ยแล้วก็ควรกาหนดรู้ด้วยถ้ยโลกียะของอินทรีย์ั้งหนดใช่ไหมแต่ก็ควรจเจริญเพราะตอนนี้ไม่เจริญใช่ไหมมันยังมีกําลังอ่อนเนี่ยศรัทธาเนี่ย อย่างเราเนี่ยบางทีมันใกล้กับตัณหานี่ยใช่ไหมศรัทธามันใกล้กับตัณห า, านั้ศรัทธาเนี่ยถ้ามันมีกําลังมากๆขึ้นมันจะสามารถเป็นปฏิปักษ์ต่ออสัตยยะคือความไม่มีศรัทธาเราต้องบอกว่าเรานั้นเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยศรัทธาเหตุที่ไม่ค่อยศรัทธานั้นเพราะเราอาหารของศรัทธามันน้อยเพราะเราไม่ค่อยได้เจริญพุทธคุณเป็นต้นวิริยะเป็นปฏิปักษ์ต่อ โกศชั่งคือความเกียดค้านการไม่ลุกออกจากความเกียดค้านการจมอยู่ในวัตถุการมทั้งหลายจัดเป็นความเกียดค้านการไม่ตื่นออกมาหรือเป็นความเกียดค้านฉะนั้นวิริยะเนี่ยจะต้องตัวเป็นตัวประคับประคองเป็นตัวหนุนทําให้ศรัทธานั้นมีกําลังมากขึ้นสติเนี่ยนะความระลึกเป็นต้นเนี่ยเขาเป็นปฏิบัติต่อมุทัศสติซื่งกลุ่มสภาวะธรรมทั้งหลายที่ขาดสติ มิฉาสติคือการไม่มีสติคือการละลึกผิดทั้งหลายกลุ่มนั้นก็เรียกวุฒหัสติคือกลุ่มที่ไม่มีสติแท้ที่จริงก็คือเขาละลึกแหละแต่ละลึกเป็นไปกับบาปอกุศลทั้งหลายหลงลืมลืมตัวลืมว่าตอนนี้เราควรจะพ่อคูนอะไรเป็นต้นส่วนสมาธินีเนี่ยหรือสมาธิที่จะมีกําลังึรือสมาธิปละทั้งหลายเขาเป็นปฏิปปะต่อวิเขปะคือการฟุ้งซ่านวิเขปะคือวามฟุ้ง ใช่ไหมความฟงทั้งหลายเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นมาในใจเราอุทะจรที่มันรุนแรงในใจนั้นเพราะสมาธิไม่ดีเพราะขาดการใช้ควรในพุทธคุณเป็นต้นประการต่อมาคือปัญญาใช่ไหมก็เป็นปฏิบัติต่อแรงสัมโมหะคือความหลงอย่างยิ่งใช่ไหมแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นคุณของท่านไม่เคยเห็นคุณของพระเจ้าแต่บัดเนี้ยเรามาเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาในพุทธคุณแล้วเนี่ย เราจะได้เห็นคุณของพระเจ้าเราจะได้ไม่ประมาทในพระเจ้าและเราจะได้ไม่ละเลยพระเจ้าเราจะได้ไม่เว้นพระเจ้าจะได้เดินตามท่านเข้าใจไหมเดินตามท่านแล้วก็จะได้บรรลุตามสัมมาสัมพุทธะเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็แปลว่าธรรมะบ่มีนีก็คือการรู้จักพุทธคุณนี่ก็สมควรแก่วเวลา